ถามอยากรักษาสัจจ์กับตัวเองให้ได้แต่ตั้งใจจะทำอะไรก็ล้มเหลวเสมออย่างนี้ควรแก้ไขปรับปรุงตัวอย่างไรดีครับตอบคนเรามีสองพวกพวกหนึ่งไม่อยากรักษาสัจจ์กับอีกพวกหนึ่งที่อยากรักษาสัจจ์พวกที่อยากรักษาสัจจ์ก็แบ่งย่อยออกไปได้อีกเช่นพวกหนึ่งรักษาได้สำเร็จกับอีกพวกหนึง่ง ที่รักษาไม่สาเร็จพวกที่รักษาสัจจะไม่สำเร็จนั้นมีเหตุผลมากมายขอเพียงเห็นเหตุผลของความล้มเหลวและพยายามแก้ให้ถูกจุดก็จะเปลี่ยนเป็นสำเร็จขึ้นมาได้เพื่อให้แยกแยะง่ายและครอบคลุมกับเหตุผลหลักๆของความล้มเหลวในการรักษาสัจจะผมขอแยกเป็นวิธีคิดวิธีพูดและวิธีทำดังนี้ 1. วิธีคิด คนส่วนใหญ่จะตั้งใจเกินตัวอยากรักษาสัจจะแบบนั้นแบบนี้ทั้งที่ไม่มีคุณสมบัติเอื้อกันเช่นบางคนตั้งใจแน่วแน่ว่าจะทำธุรกิจของตนเองและรวยให้ได้ในหนึ่งปีเพียงเพราะเห็นพ่อค้าแม่ขายบางรายทําได้จึงเกิดแรงบันดาลใจจะเอาให้เหมือนอย่างนั้นบ้างแต่มองไม่เห็นปัจจัยของตนว่ามีความชอบใจในธุรกิจใดบ้าง มีความรู้ความถนัดเรื่องไหนมีความมานะอดทนปานใดตลอดจนฉลาดคิดฉลาดแก้มากไหมเพราะทำไม่ได้ภายในหนึ่งปีตามตั้งใจก็รู้สึกว่าตนเองล้มเหลวและไม่เชื่อมั่นในความคิดใดๆของตนอีกความคิดที่เกินตัวมักนามาซึ่งการลงมือทาที่เกินจริงบางคนเห็นเพื่อนนั่งสมาธิได้วันละสามชั่วโมงเกิดความรู้สึกว่าเพื่อนเราเก่ง และเมื่อเป็นเพื่อนเราซึ่งมีความหมายอยู่ในทีว่าเป็นคนที่เสมอกับเราก็น่าจะแปลว่าเราเก่งเท่าเพื่อนหรืออย่างน้อยต้องใกล้เคียงกับเพื่อนด้วยความคิดผิดฝาผิดตัวไม่เอาเหตุเอาผลถูกจุดชนิดนี้จึงทำให้เกิดความตั้งใจว่าจะนั่งสมาธิให้ได้วันละสามชั่วโมงบ้างแบบกระโดดพรวดเดียวเอาไว้ถึงขั้นสิบไม่แม้แต่จะก้าวทีละขั้นอย่างเพื่อน อย่างนี้ก็เสร็จนั่งสามชั่วโมงไม่ได้อะไรเลยแม้แต่ความนิ่งสงบสักแวบสรุปคือถ้าวิธีคิดในการตั้งสัจจะของคุณยืนพื้นอยู่บนความเป็นไปได้จริงโอกาสสําเร็จก็มาแล้วเกินครึ่งแต่หากวิธีคิดของคุณเลื่อนลอยไม่ยืนอยู่บนฐานความจริงที่กําลังยืนโอกาสล้มเหลวก็สูงลิบ2 วิธีพูดคนส่วนใหญ่จะพูดแบบไม่ค่อยคำนึงถึงประโยชน์หรือโทษอยากพูดอะไรก็พูดอยากบ่นอะไรก็บน่นอยากทิมแทงใครก็ทิมแทงเลยเป็นการเพราะนิสัยการพูดแบบเพ้อเพ้อไม่รู้ตัวว่าปล่อยให้ประจุพลังหายไปเรื่อยๆเกือบตลอดเวลาถ้าคุณมีสติและสังเกตตัวเองมากขึ้นจะพบว่าแม้แต่การลงเสียงหัวเราะหัวเราะตอนจบประโยคโดยไม่มีสาเหตุที่ชัดเจน ก็ทำให้เปลืองกำลังงานไม่ถนอมรักษากำลังกายกำลังจิตไว้ดีๆจะป่วยกล่าวไปใยกับการพลราบพูดแบบไม่เห็นประโยชน์ไม่เห็นโทษคุณจะเป็นคนพูดจาขาดพลังสติเมื่อพูดแบบขาดพลังสติก็ย่อมไม่รู้สึกถึงค่าของคำพูดเมื่อไม่รู้สึกถึงค่าของคำพูดก็ไม่รู้สึกเป็นจริงเป็นจังกับการลั่นปากสัญญาว่าจะทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่ว่าสัญญานั้นจะมีให้กับคนอื่นหรือกับตนเองวิธีพูดให้เกิดการสั่งสมพลังสติคือพูดอย่างเห็นประโยชน์พูดเห็นเหตุเห็นผลแม้แต่การพูดขำๆเพื่อคลายเครียดหรือเชื่อมสัมพันธ์ก็จัดเป็นการพูดอย่างเห็นประโยชน์เห็นเหตุเห็นผลเท่าว่าการพูดขำๆเรื่อยเจื้ยเพียงเพื่อสนองความปลดปล่อยอารมณ์พร่ำเพื่ออันนี้ถือว่าเพ้อเจ้อไม่มีประโยชน์ ไม่สมเหตุสมผล 3. วิธีทำรรคนส่วนใหญ่ทำตามอยากทันทีโดยไม่ยับยั้งชั่งใจนี่เป็นเหตุผลสำคัญที่สั่งสมความเคยชินผิดผิดคุณจะไม่รู้ตัวว่าความเคยชินผิดผิดเป็นอำนาจชนิดหนึ่งจนกว่าอำนาจชนิดนั้นจะมีอิทธิพลเหนือคุณบงการคุณได้ทุกเรื่อง ไม่มีวินยัยใดดีไปกว่าการตั้งใจงดเว้นการทำบาปขอให้เริ่มจากศีลง่ายๆสักข้อที่คุณพิจารณาแล้วว่ารักษาได้ไม่ยากทุนเก่ามีพอจะงดเว้นบาปข้อนั้นๆได้ง่ายเมื่อรักษาศีลได้สักเพียงข้อเดียวตลอดหนึ่งอาทิตย์คุณจะรู้จักพลังการกระทำอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในตนเองเมื่อเชื่อมั่นว่าสามารถรักษาบุญ บุญก็จะส่งกำลังให้ใจคุณเชื่อมั่นว่าตนต้องรักษาสัจจะข้ออื่นๆได้อีกสาคัญคือถ้ารู้ว่าพื้นฐานของตนเองอ่อนแอก็ให้พยายามทีละข้ออย่าพยายามรวดเดียวทุกข้อนโยบายไต่ขึ้นสูงตามลำดับจะช่วยทุกๆแง่ครับทั้งเรื่องสั่งสมกำลังทั้งเรื่องความเป็นไปได้จริงและคุณอาจพบในขั้นสุดท้ายว่าการรักษาสัจจะมีความน่าอัศจรรย์เพียงใด ประมาณว่าแค่คิดให้เกิดเรื่องอันใดก็รู้สึกเหมือนเรื่องนั้นเกิดขึ้นจริงแล้วกว่าครึ่งทีเดียวรอแต่เวลาสำเร็จมาถึงอย่างสมบูรณ์เท่านั้นอาจคอยสพมพลไหร่ ไ, ไหร่อาจลึกลับแต่เมื่นคงก็การสมพันของกันก็ทำอะไรทําดีหรือแล้ว มันต้ือกันแม้ดู